สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพส่วนเรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็ยังเป็นชีวประวัติของท่านนาถามิติกะเศรษฐีอุบาสกและเรื่องที่เล่าข้างไว้ในตอนที่แล้วก็เล่ามาถึงตอนที่ท่านนาถามิติกะเศรษฐีต้องการอยากจะให้หนายกาละลูกชายนี้สามารถที่จะเรียนบทธรรมะจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง ได้จ้างให้นายกาละไปฟังประธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าด้วยค่าจ้าง1 0 0 0กะหาปณะนายกาละก็ดีใจด้วยต้องการอยากจะได้ทรัพย์นั้นก็จึงไปอย่างพระวิหารแล้วเข้าไปยืนตรงพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้เป็นผู้ประสงค์จะเรียนบทธรรมะเพียงบทเดียวเท่านั้นแล้วก็จะหนีไป นี่เป็นความตั้งใจของนายการละลำบับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงกระทรอาการให้นายกาละกาหนดบทธรรมะไม่ได้นายการละฟังบทธรรมะแล้วกาหนดจดจำไม่ได้จึงยืนฟังต่อไปโดยใจคิดว่าเราจะเรียนบทธรรมะบทต่อไปคือบทนี้จำไม่ได้เดี๋ยวบทต่อไปจะต้องจำให้ได้ การที่บุคคลทั้งหลายตั้งใจฟังธรรมะอยู่โดยคิดว่าเราจะเรียนให้ได้ชื่อว่าฟังธรรมะโดยเคารพและเมื่อบุคคลทั้งหลายตั้งใจฟังธรรมะโดยความเคารพอยู่อย่างนี้ธรรมะย่อมให้ถึงพระโสดาปติมัก ค, คำว่าพระโสดาปติมักก็หมายถึงทางปฏิบัติให้สาเร็จผลเป็นพระโสดาบันหมายถึงผูดถึงกระแสะไปสู่ นิพานเป็นต้นแม่นายกาละก็ฟังธรรมะอยู่ด้วยคิดว่าเราจะเรียนให้ได้เพราะผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทาอาการให้นายกาละจำบทธรรมะไม่ได้ขณะที่นายกาละกำลังยืนฟังด้วยจิตคิดมุ่งหวังว่าจะเรียนบทธรรมะต่อไปก็ได้สาเร็จพระโสดาปัติผลก็หมายถึงธรรมะที่ สมดาบไดบรรลุโดยหมายถึงผลแห่งการเข้าถึงกระแสธรรมหรือกระแสนิพพานในวันรุ่งขึ้นนายกาละกลับจากพระวิหารเข้าไปที่กลุ่มสาวถีพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์มีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นประมุขเพื่อเสด็จไปที่นิเวศของทนานาถบิฎิกะเศรษฐีทนานาถะปิฎิกะเศรษฐี พอเลเห็นนายกาละลูกชายจึงคิดว่าวันนี้เราชอบใจอาการของลูกของเราฝ่ายนายกาละมีความปริวิตกคือนึกเป็นทุกข์หนักใจว่าโอ้หนอ้อวันนี้ขอคุณพ่อของเราไม่พึงให้กหาปณะในที่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าพึงช่วยปกปิดเราที่เป็นผู้รักษาอุโบสถศีลเพราะเหตุแห่งความอยาก ได้กหาปณะนะความจริงเรื่องทั้งหมดนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทราบว่านายกาละเป็นผู้รักษาอุโบสถเศีลเพราะเหตุแห่งความอยากได้กหาปณะนะตั้งแต่เมื่อวันหวานแล้วครั้นท่านานาถาบิลกะเศรษฐีได้ถวายข้าวต้มแก่พระภิสุสง์มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประมุขเสร็จแล้วจึงสั่งให้ ยกข้าวต้มให้แก่นายกาละลูกชายส่วนนายกาละเป็นผู้นั่งนิ่งเช่นคนที่มีความกังวลใจอยู่ได้ดื่มข้าวต้มเคี้ยวของโคนเคี้ยวและบริโภคอาหารโดยไม่ได้พูดทวงคาถาพระณะจากท่านนาถบินิกะเศรษฐีเช่นวันก่อนเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสวยพระกยาหารเสร็จแล้วท่านนาถบินิกะเศรษฐี จึงใช้ให้บุคคลนำหอกหาปณ ะ, ะ 1,000 มาวางไว้ตรงหน้าของนายกาละและพูดว่ากาละลูกรักพ่อพูดว่าจะให้กหาปณะหนึ่งพแก่ลูกจึงให้ลูกสมาทานโโบสทศีลและส่งลูกไปพระวิหารเพื่อฟังธรรมะนี่กหาปณะ 1,000 ันะ 1, ของลูก นายกาละและเห็นกหาปณ ะ, ะที่คุณพ่อให้ในที่เฉพาะประพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เกิดความละอายขึ้นมาจึงพูดว่าคุณพ่อครับกระผมไม่ต้องการกรหาปณ ะ, ะทั้งหลายแล้วขอรับถึงแม้ท่านนาถวาิติกาเศรษฐีพูดขยันขยยว่ากาละจงรับเถิดลูกเขาก็ไม่ยอมรับครั้นท่านเศรษฐีเห็นลูกชายไม่ยอมรับกหาปณะนะ จิงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญวันนี้ข้าพระองค์ชอบใจอาการแห่งบุตรของข้าพระองค์พระเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนมหาเศรษฐีมีเหตุการณ์อะไรหรือธ่าน า, นานถบาิริกะเศรษฐีกราบทูลตอบว่าในวันก่อนกาละบุตรของข้าพระองค์โดยข้าพระองค์พูดว่า พ่อจะให้กหาปณะนะแก่ลูกหนึ่งรกหาปณะนะแล้วส่งเขาไปพระวิหารพอถึงวันรุ่งขึ้นเขากลับมาถึงบ้านถ้ายังไม่ได้รับกหาปณะนะเขาจะไม่ยอมบริโภคอาหารแต่วันนี้เขาไม่ต้องการกรหาปณะนะแมท้ทั้งที่ขาบรง์หยิบยื่นให้พระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถูกแล้วท่านมหาเศรษฐีวันนี้ โซดาปฏิผลผลที่เข้าถึงกระแสธรรมหรือกระแสนิพานของบุตรของท่านประเสริฐกว่าสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิสมบัติในเทวโลกและประเสริฐกว่าสมบัติในพรหมโลกแลวตรัสพระกถาธรรมว่าโซดาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาเอกในแผ่นดินกว่าการไปสู่สวรรค์26ชั้น และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงความหมายตามในที่พระอัตถคตาจารย์ที่บายไว้ว่าพระราชาแม้เสวยราชสมบัติในที่มีประมาณเท่าไรกับเท่าไรก็ตามย่อมเป็นผู้ไม่พ้นจากนรกเป็นต้นได้เลยส่วนพระโสดาบันเป็นผู้ปิดประตูอบายได้แล้วเพราะฉะนั้นพระโสดาปฏิพันธจึงประเสริฐสูงสุดกว่า การเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือกว่าการอยู่ในสวรรค์2 6ชั้นและกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาจบลงประชาชนเป็นจำนวนมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปติผลเป็นต้น ทนานาถาบีติกาเศรษฐีได้ช่วยสงเคราะห์ทาสีของท่านโดยการช่วยจัดการเผาศพมารดาของทาสีให้นับเป็นตัวอย่างของนายที่ดีที่อนุเคราะห์บบาวในคราวมีทุกข์ได้มีเรื่องกล่าวไว้ในอัตถคถาชาดกที่ขยายความบาลีโลหินีชาดกทัมพีขุทธกนิกายชาดกดังนี้ เมื่อพระบรมศา ส, สดาประทับอยู่ในวัดประเชตวันมหาวิหารได้ตรัตพระธรรมเทศนาเรื่องอมิตรประเสริฐกว่าโดยทรงปรารบนางทาสีคนหนึ่งของอนาถบิติกะเศรษฐีดังมีเรื่องเล่าว่านางโรหินีผู้เป็นทาสีของธนนาถบิติกะเศรษฐีนางมีมารดาแก่มานอนอยู่ที่ โรงสีข้าวและซ้อมข้าวมแมลงวันทั้งหลายมาตอมและกัดมารดาของนางคล้ายดังเข็มแทงมารดาจึงบอกกำนังโรฮินีให้ช่วยไล่มแมลงวันให้ทีนางโรฮินีคิดจะฆ่ามแมลงวันเหล่านั้นให้ถึงความพินาศแล้วจึงยกศากตีลงไปที่ร่างกายของมารดามารดาของนางก็ถึงความตาย ครั้นนางโรฮินีเห็นดังนั้นแล้วจึงร้องไห้คร่ำครวญว่ามารดาของเราตายแล้วบุคคลทั้งหลายจึงนำเรื่องนั้นไปบอกแกท่านอนาถบาิดาเศรษฐีท่านอนาถบิดาเศรษฐีได้จัดการเผาศพมารดาของนางโรฮินีทาสีเสร็จแล้วท่านเศรษฐีจึงไปที่วัดพระเชตวันมาหาวิหารกราบทูลเล่าเรื่องนั้นให้พระบรมศา ส, สดาทรงทราบ พระบรมศา ส, สดาจึงตรัสว่ากระหั บ, บดีหญิงนี้ได้เคยฆ่ามารดาด้วยศากโดยคิดว่าจะฆ่ า, มาแมลงวันที่ตัวมารดามิใช่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ฆ่ามาแล้วครั้นพระองค์ตรัสดังนี้แล้วจึงทรงแสดงเรื่องอดีตว่าในอดีตกาลครั้งรัชสมัยของพระเจ้าพรมทัตสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์เกิดในสกุลเศรษฐีเมื่อบิดาตายแล้วได้รับตำแหน่งเศรษฐีแทนและพระโพธิสัตว์มีนางโรหินีเป็นทาสีครั้งหนึ่งมารดาของนางโรหินีมานอนอยู่ที่โรงซ้อมข้าวได้บอกนางโรหินีลูกสาวให้ไล่มแมลงวันที่มาตอมตนนางโรหินีตีมแมลงวันด้วยสากซ้อมข้าวจนมารดาสิ้นชีวิต แล้วนางก็เสียใจร้องไห้พระโพธิสัตว์สับเครื่องนั้นแล้วดําริ่ว่าในโลกนี้บัณฑิตแม้เป็นศัตรูยังประเสริฐกว่าแล้วกล่าวคาถาคือคำประพันธ์ว่าศัตรูก็หมายถึงอมิตรผู้มีปัญญาประเสริฐกว่าคนโง่เขลาที่เป็นมิตรมีจิตคิดอนุเคราะห์จงดูนางโรฮินีผู้โง่เขลานางฆ่ามารดาขงตนแล้ว เศร้าโศพระบรมศาสดาจึงตรัสต่อไปว่าดูก่นรนารหบดียิงนี้ข่ามารดาด้วยเข้าใจว่าจะฆ่ า, มาแมลงวันมีใช่ในบัดนี้เท่านั้นแม่เมื่อก่อนเขาก็ฆ่ามารดาแล้วดังนี้แล้วพระพุทธองค์ทรงประมวลอดีตชาดกว่ามารดาครั้งนั้น ได้มาเป็นบานดาในปัจจุบันนี้นางโรฮินีในครั้งนั้นก็ได้มาเป็นนางโรฮินีในปัจจุบันนี้เหมือนกันส่วนพระโพธิสัตว์มหาเศรษฐีผู้เป็นนายคือตถาคตเองนี่เป็นหน้าที่ของนายที่ดีที่มีคุณธรรมได้ช่วยเอื้อเฟื้อบ่าวไพรในฐานะที่ต่ากว่าเมื่อทิ้งคราวตกทุกข์ได้ยาก และเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าชาพุทธในสมัยพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่มีการเผาศพและการเผาศเป็นการเปลืองสถานที่น้อยไม่เหมือนการฝังศพต้องเปลืองสถานที่มากครั้งหนึ่งท่านนาถาวิธิกะเศรษฐีได้เข้าเฝ้ากราบทูลถามข้อปฏิบัติการเลือกนับถือพระต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า มีเรื่องกล่าวอยู่ในบาลีคำพีหมหาวัคพระวินัยยปดกแห่งโกสัมพิกะคันธกะว่าทา น, นานาถปิติกาเศรษฐีได้ฟังข่าวว่าพระพิสุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อเรื่องบาดหมางกันก่อการทะเลาะวิวาททำความอื้อเช้าก่ออธิกรณ์คือคดีขึ้นในสงเหล่านั้นพากันมาสู่พระนครสาวัตถี จึงเข้าไปในพุทธสำนักถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนางณที่ควรส่วนขั้นหนึ่งจึงกราบทูลถามข้อปฏิบัตินี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระองค์ได้ยินข่าวมาว่าพระพิสุชาเมืองโกสัมพีที่ก่อเรื่องบาดหมางกันก่อการทะเลาะวิวาททำความอื้อฉาวก่ออธิกรณในสองเหล่านั้น ได้ได้พากันกลับมาสู่พระนครสาวัตถีข้าพระองค์จะปฏิบัติในพระพิสุสงเหล่านั้นอย่างไรพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจเจ้าตรัสแนะนําว่าดูก่อนขรหา บ, บดีถ้าเช่นนั้นท่านจงถวายทานในพระพิสุทั้งสองฝ่ายครั้นท่านถวายทานแก่พระพิสุทั้งสองฝ่ายแล้วท่านจงฟังธรรมในสนักของพระพิสุทั้งสองฝ่ายครั้นท่านฟังธรรมของพระพิสุทั้งสองฝ่ายแล้ว จงพินิษฐ์พิเคราะห์ดูพระภิสุเหล่าใดในสองฝ่ายนั้นเป็นธรรมวาทีคือผู้กล่าวเป็นธรรมท่านจงพอใจในความเห็นความถูกใจความชอบใจและความเชื่อถือของพระพิษุฝ่ายธรรมวาทีนั้นนี่ก็เป็นวิธีการเลือกนับถือพระพิสุในพระพุทธศาสนาต้องดูพระธรรมวินัยที่ท่านพระพุทิปฏิบัติ เป็นหลักคืออย่าดูแต่เพียงรูปแบบภายนอกให้ดูทิ้งข้อวัดปฏิบัติที่ท่านประพุทธปฏิบัตินั้นว่าถูกต้องตามพระวินัยหรือไม่อย่างไรความเป็นผู้มีความรู้หลักธรรมะของท่านนาถมิติกะเศรษฐีจนสามารถอธิบายหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาให้พวกอัญญะเดรถีปริภาชกหมดทางโต้แยง้งและ ได้รับการชมเชยจากพระพุทธเจ้าดังมีเรื่องอยู่ในบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายทัศกานิบาตในทิฏฐิสูตรสูตรว่าด้วยความเห็นต่างๆแห่งอุปาสกรวร์ดังนี้สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดประเชตวันมหาวิหาร อันเป็นวัดที่ทนนาถบิติกาเศรษฐีสร้างถวายอยู่ใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นท่านนาถบินิกาเศรษฐีออกจากพระนครสาวัตถีในเวลาที่วันเพื่อจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่แล้วท่านหวนคิดว่าไม่ใช่เวลาที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเสด็จหลีกลิ้นเข้าที่เงียบสงัดและไม่ใช่เวลาที่จะไปเยี่ยมพระพิสุทิ์ทั้งหลาย ผู้ทำใจให้เจริญเพราะว่าพระพิสูจน์ทั้งหลายผู้ที่ทําใจให้เจริญยังหลีเกเล่นอยู่ในที่เงียบสงับยากระนั้นเลยเราจะแวะไปยังสถานที่ที่อยู่คงพวกอัญญาเดรถีปริพาชกดีกว่าพอท่านเศรษฐีคิดอย่างนี้แล้วจึงเข้าไปยังสถานที่อยู่ของพวกอัญญาเดรถีปริพาชกในการนั้น พวกอัญญะเดริถีปริพาชกกำลังร่วมประชุมกันอยู่ต่างส่งเสียงเอ็ดอึง่งนั่งพูดกันถึงเรื่องติระฉานกถาติรชฉานกถาก็หมายทึงถ้อยคำที่ขวางต่อทางพระนิพพานโดยต่างได้สนทนาเรื่องติระฉานกถาต่างๆอยู่แต่พอพวกอัญญะเดริีปริพาชก แลเห็นธนานาถาาบิติกาเศรษฐีเดินมาแต่ไกลก็ให้สัญญาณกันว่าท่านทั้งหลายจงเบาเสียงลงอย่าเปล่งเสียงอึกกระทึกอาถบิติกาเศรษฐีนี้เป็นสาวกของพระสมณะโคโดมุมกําลังเดินมาธ่านานาถบิติกาเศรษฐีเป็นสาวกคนหนึ่งได้บรรดาครานผู้หนุ่งขาวห่มขาวอยู่ในเมืองสาวัตถีนี้มีอยู่เท่าไหร่ อนาถาบิิกะเศรษฐีก็เป็นสาวกคนหนึ่งของพระสมณะโคดมสาวกของพระสมณะโคดมล้วนแต่ชอบเสียงเบาได้รับแนะนำให้ทำเสียงเบากล่าวสรรเสริญเสียงเบาถึงอย่างไรก็ตามเขาเห็นที่ประชุมเสียงเบาเขาก็จะเข้ามาหาส่วนปริภาชกเหล่านั้นก็พากัน นิ่งอยู่ท่านนาถปิติกเศรษฐีจึงแวะเข้าไปหาพวกปริพาชคเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้นั่งลงสนทนาปราศัยกับพวกปริพาชคเหล่านั้นด้วยถ้อยคําอันน่าชื่นชมยินดีท่านแล้วปริพาชคเหล่านั้นกล่าวกับท่านนาถปิติกะเศรษฐีว่าขารา บ, บดีขอท่านช่วยบอกทีเถิดว่าพระสมณโคโดมมีความเห็นอย่างไร ท่านาณ า, าบิดยาเศรษฐีตอบว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ทราบถึงความเห็นทั้งหมดของพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกปริพาชกยิงกล่าวว่าดูก่อนคราหบดีเมื่อท่านไม่ทราบถึงความเห็นทั้งหมดของพระสมณะโคดมก็ไม่เป็นไรขอท่านช่วยบอกทีเถิดว่าพระพิสุทั้งหลายมีความเห็นอย่างไรทานาณาถบิดยาเศรษฐีตอบว่าท่านผู้เจริญทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ทราบถึงความเห็นทั้งหมดแม่ของพระพิสุทั้งหลายเช่นกันพวกปริพาชกได้กล่าวต่อไปว่าดูก่อรคราบบดีถ้าท่านครา บ, บดีไม่ทราบถึงความเห็นทั้งหมดของพระสมณะโคดมและความเห็นทั้งหมดของพระพิสุทั้งหลายก็ไม่เป็นไรแต่ตัวท่านมีความเห็นอย่างไรธ่นนาถบิธิกาเศรษฐีกล่าวว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างไรความเห็นนั้นข้าพเจ้าบอกได้ไม่ยากแต่ขอเชิญพวกท่านจงบอกความเห็นของพวกท่านให้ข้าพเจ้าฟังก่อนและข้าพเจ้าจึงจะบอกถึงความเห็นของข้าพเจ้าให้พวกท่านฟังในภายหลังเป็นการไม่ยากเมื่อท่านนาถาปิติกะเศรษฐีกล่าวอย่างนี้แล้วปริภาชกคนหนึ่ง ได้กล่าวกับท่านานาถาวิตริกะเศรษฐีว่าดูก่อนครหบดีข้าพเจ้ามีความเห็นว่าโลกยังยืนคือเห็นว่าเที่ยงความเห็นอันนี้แหละจริงอย่างอื่นไม่จริงปริภาชกอีกคนหนึ่งได้กล่าวขัดกับคนแรกว่าดูก่อนครหบดีข้าพเจ้ามีความเห็นว่าโลกไม่ยังยืนสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริง ปริพาชค um. อีกคนหนึ่งได้กล่าวว่าดูก่อนขรหาบดีข้าพเจ้ามีความเห็นว่าโลกมีที่สุดสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงปริพาชกอีกคนหนึ่งกล่าวขัดกันว่าดูก่อนขรหาบดีข้าพเจ้ามีความเห็นว่าโลกไม่มีที่ ส, สุดสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงปริพาชกอีกคนหนึ่งจึงกล่าวว่า ลูก่อนคราหบดีข้าพเจ้ามีความเห็นว่าชีพกับสิริระเป็นอันเดียวกันสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงปริภาชกอีกคนหนึ่งกล่าวขัดกับปริภาชกคนที่กล่าวแล้วว่าลูก่อนคราหบดีข้าพเจ้ามีความเห็นว่าชีพกับสิริระเป็นของต่างกันสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริง ปริพาชกอีกคนหนึ่งจริงพูดกับท่านอนาถบิติกาเศรษฐีว่าข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีกสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงปริพาชกอีกคนหนึ่งกล่าวตรงกันข้ามกับคนที่แล้วว่าข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วไม่เกิดอีกสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงปริพาชกอีกคนหนึ่งกล่าวว่า ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดก็มีไม่เกิดอีกก็มีสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงปริพาชคอีกคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงเมื่อพวกปริพาโชคกล่าวแสดงความเห็นของตนคนละอย่างละอย่างลวนแต่ ขัดแย้งกันเองอย่างนี้แล้วทนนาถมิติกาเศรษฐีจึงกล่าวกับพวกปริพาชกเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายผู้เจริญท่านผู้ใดกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นว่าโลกยั่งยืนสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงความเห็นของท่านผู้นี้เกิดขึ้นแล้ว เพราะเหตุแห่งการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายคือเหมาะสมกับเหตุผลหรือเพราะเชื่อถือการโฆษณาของผู้อื่นเป็นปัจจัยบ้างความเห็นนี้แหละเกิดขึ้นแล้วที่อาศัยปัจจัยหมายถึงเหตุที่เป็นทางให้เกิดผลปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยก่อขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัย ไม่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยก่อขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ท่านผู้นั้นก็ติดอยู่กับสิ่งนั้นท่านผู้นั้นก็เข้าถึงสิ่งนั้นนั่นแหละท่านผู้ใดกล่าวว่าข้าพาเจ้ามีความเห็นว่า โลกไม่ยั่งยืนสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงความเห็นของท่านผู้นี้เกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งการทำไว้ในใจโดยอุบายอันไม่แยบคายของตนบ้างหรือเพราะเชื่อถือการโฆษณาของผู้อื่นเป็นปัจจัยบางความเห็นอันนี้แหละเกิดขึ้นแล้วอันอาศัยปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยก่อขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัย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 สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงท่านผู้ใดกล่าวว่าข้าพเจ้ามีความเห็นว่าโลกไม่มีที่สุดสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงท่านผู้ใดกล่าวว่าข้าพเจ้ามีความเห็นว่าชีพกับเิรีระเป็นอันเดียวกันสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงท่านผู้ใดกล่าวว่าข้าพเจ้ามีความเห็นว่าชีพกับเซรีระเป็นของต่างกันสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอ er> ื่นไม่จริงท่านผู้ใดกล่าวว่าข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีกสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงท่านผู้ใดกล่าวว่าข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วไม่เกิดอีกสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงท่านผู้ใดกล่าวว่าข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มี สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงท่านผู้ใดกล่าวว่าข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงความเห็นของท่านผู้นี้เกิดขึ้นแล้วเพราะเหตุแห่งการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันไม่เหมาะสมกับเหตุผลของตนบ้างหรือเพราะเชื่อถือการโฆษณาของผู้อื่นเป็นปัจจัยบ้าง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 ความเห็นของท่านทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งการกระทําไว้ในใจโดยอุบายไม่เหมาะกับเหตุผลของตนบ้างเพราะเชื่อถือการโฆษณาของผู้อื่นบ้างทั้งนั้นเมื่อท่านนาถาบิติกาเศรษฐีกล่าวดังนี้แล้วพวกปริพาชกเหล่านั้นได้กล่าวว่าดูก่อนคารา บ, บดีพวกเราทั้งหมดได้บอกความเห็นของตนของตนให้ท่านฟังแล้วท่านคารา บ, บดี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 เป็นผู้ติดอยู่กับสิ่งนั้นท่านเข้าถึงสิ่งนั้นแหละท่านนาถาบิดาเศรษฐีได้กล่าวอธิบายว่าท่านทั้งหลายผู้เจริญสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วอันปัจจัยกรุงแต่งแล้วอันปัจจัยก่อขึ้นแล้วเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ข้าพเจ้าเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญา อันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นไม่เป็นเราสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราทั้งรู้ชัดอุบายเป็นเครื่องสัะออกสิ่งนั้นอย่างยอดเยี่ยมตามเป็นจริงครั้นธนานาถบิติกะเศรษฐีอธิบายเหตุผลดังนี้แล้วปริภาชกเหล่านั้นพากันนั่งนิ่งเฉยอยู่เก้อเขินมีความโทมนัสคือหมดเดช พอตกก้มหน้าซบเศร้าอยู่ไม่มีทางโต้ตอบอย่างใดอย่างหนึ่งธนนาถาาบีติกะเสิฐีจึงลุกจากที่นั่งออกจากที่อยู่ของอัญญาเดริธิปริพาชกเหล่านั้นไปแล้วไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วได้นั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วจึงกราบทูลถึงเรื่องที่สนทนากับ อัญญาเดรธีปริพาชกเหล่านั้นทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบทุกประการพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงสดับเรื่องราวที่ธนนาถปิติกะเศรษฐีกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบแล้วพระองค์จะตรัสเป็นประการใดกับธนนาถปิติกะเศรษฐีก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังอดใจรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปเว ล, ลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ สวัสดีครับ